อันเป็นทางกลึ่งกลางแห่งนครทั้งสองของกวินรพัฒและกรุงเทวทหะทำไมถึงไปประสูติที่นั้นธรรมเนียมของพราหมณ์ไม่ไว้ใจในสามีของตนก็ต้องไปคลอดบุตรที่วงตระกูลของตนแต่ไปยังไม่ถึง พอถึงกืงกลางนาครทั้งสองคือในระหว่างกรุงก บ, บินระพัฒ์กับกรุงเทวทหะนั่นเองซึ่งเป็นขนาญาติกันก็เลยประสูตรพระบรมศาสดายืนประสูตรภามานายืนประสูตรพอประสูตรออกมาแล้วก็ เดินไปในเกียติก้ามีทา น, นำ้ำร้อนน้ำเย็นตกมอมาจากอากาศาสนานพระองค์ที่เดินเกียตก้านั้นถ้าเทียบใส่ในธรรมะแปลว่าพระองค์ท่านจะได้ประกาศพระศาสนาเกียตชนบทชนบทใหญ่ๆนั้นนะ ทานน้ำรอ้อนนี่เปรียบเหมือนทุกข ก, กิริยาองค์ท่านจะได้ปฏิบัติทุกขกิริยาทาน้ําเย็นเปรียบเหมือนจเจริญทางจิตแล้วจึงจะได้สำเร็จพระหรันทีนี้เป็นวันจัตสรุเดือนก็ตรงกันคือเรือนหกวิสาขะคำว่าวิสาขะเป็นชื่อของเดือน คำ่าบูชาก็บูชาโดยตรงพระบรมศาสดาตัสรุสี่นี่ที่ตำบลพุทธคยาในเพนเดือนหกเหมือนกันสเสวยพระกาย า, ารของนางสุชาดาแล้วก็ภาวานาเพลนหลังใส่ ต้นโพพินพระพักรประทางทิศ ต, ตะวันออกจวนจวะสว่างรุ่งเช้าองค์ท่านก็ได้สเสวยมมุตติสุขสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้ตอน พอสำเร็จเป็นพระราหานแล้วองค์ท่านก็จะไปเทศโปรดยังไม่ไปเทศโปรดและสวยวีมุติสุขมาแขงและเก็ดวันเก็ดวันออกจากนั้นแล้วเป็นสี่สิเก้าวันและไม่ฉันอาหารสี่สิเก้าวันออกจากนั้นแล้ว วันปรินิพานอีกพระองค์ท่านกงกบันประสูติวันตัสรูกา ป, ปรินิพานพอตัสรูแล้วองค์ท่านก็จะไปเทศนาโปรดอลาราระดาบุตอุตกระดาบุตรามบุตรเพราะองค์ท่านเคยปฏิบัติกับพวกนั้นมาแต่ไม่เป็นทางตัสรูพวกนั้นจึงหนี ออกจากองค์ท่านไปและองค์ท่านกรเลยนี้อ ก, อ, ก อ, กอกจากออกออกจากพงันมาปฏิบัติเฉพาะส่วนตัวก็ได้สำเร็จสมาสมพุทธเจ้าทีนี้เดินทางไปเดินทางไวแล้วก็นึกเข็นดารทาบทอุทกาดาบเรามาบุรนั่นนะตัวนี้ ตายไปแล้วเสียเจ็ดวันแล้วเสียดายหนอเสียดายหนอเพราะพวกเหล่านั้นเจริญสมาธิสมาบัติบริบูรณ์แล้วถ้าว่าได้ฟังธรรมเทศนาของพระองค์ก็จะสำเร็จพระสวดาวันออกจากนั้นไปก็เลยไปพบอุปกะชีวกคนหนึ่งสวนทางมา ท่านจะไปไหนเราเป็นสยามพูเผยผ่านวันนะของท่านผ่องใสนักใครเป็นศาสตราของท่านกุกชาของท่านอยู่ที่ไหนท่านหมวดจำเพาะใครอุปการะหนอชีวกอาไม่เชื่อไม่เชื่อก็เลยสั่นศรีรษะเราเป็นสยามภู เป็นผู้ทัศเสเองโดยชอบทัศรู้เองโดยชอบอโมเลสันศีรษะผ่านไปซะพ อ, อไปถึงออกจากนั้นไปหาพระปันจวักคีเนี่ประเทศเอาพระปันจวักคีพระกลทัญญะก็สำเร็จพระสวัสดาบัร น, นี่เป็นตอนตทัศรู้ใหม่ๆตอนป ร, ริญิพาน พระนิพานในสารวโนทยานปรองอายุสังขารเพ็นเดือนสามแล้วก็ไปพระนิพานในที่นั้นทีนี้นนถ้าเราเทศมาในฝ่ายปฏิบัติทีน่นี้วิสาขบูชาบูชาด้วยอา m i t ดอกไม้ทูบเทียนปฏิบัติบูบบชาเป็นบูชาชั้นที่หนึ่งวิสาขะอา mith บูชาเป็นบูชาชั้นที่สอง แต่จะเว้นก็ไม่ได้เพราะมันไปด้วยกันปูชาจะปูชนียานังเตะมังฆละมุตตะมังบูชาสิ่งที่ควรบูชาผู้ผู้มีปัญญาย่อมบูชาในสิ่งที่ควรบูชาย่อมไม่บูชาในสิ่งที่ควรไม่บูชาย่อมเคารพในสิ่งที่ควรเคารพย่อมไม่เคารพในสิ่งที่ไม่ควรเคารพย่อมปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติย่อมไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ควรไม่ปฏิบัติอืม เลื่อ ม, มใสในสิ่งที่ควรเลื่อมใสมีปัญหาสอดเข้ามาว่าถ้าหากว่าเราไม่มาทมาํามาคะชบูชานี้เราไม่ใส่ชื่อหรือนะมามาคศาักขบูชาก็ดีมาคัชบูชาก็ดีเราเดินยกรมภาวนาะอยู่หรือเราทําบุญอันใดอันหนึ่งจะเรียกว่าวิสาขา มูชาหรือมาคะมูชาได้หรือไม่แต่ว่าได้ในทางอ้อมก็ถูกเหมือนกันถ้าเราเลือกมาฆะบูชาถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายหรือวิสาขะบูชาก็ดีก็คือท่านประสงค์อยากจะให้คนละพุทธท่านทากุศลผลบุญอันใดอันหนึ่งเป็นเครื่องอยู่และเป็นอตีตาลมและลึกถึงคนมาพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในตัว ผู้ภาวนาพุโทธโธพุทโธอยู่ก็ดีทำโมทำโมอยู่ก็ดีสังโคสังคโคอยู่ก็ดีหรือให้ทานรักษาศีลภาวนาอันใดอันหนึ่งก็ดีก็เรียกว่ามาฆะบูชาและวิสาขาบูชาทั้งนั้นเดียกว่าปฏิบัติบูบชาทูให้อเมตทข้าวน้ำโภชนาอาหารที่อยู่ที่อาศัยเรียกว่าอาเมทสาบูชาผู้ปฏิบัติศีลภาวนาให้ทานรักษาศีลภาวนา ให้ทานรักษาศีลภาวนาะเรียกว่าปฏิบัติบูบชาอืบูชาทั้งสองนี่จําเป็นก็ทําควบกันไปทีนี้ในวันนี้มันเป็นวันที่เปาโลมาศาสดาตัสลูพวกเราจะบูชาด้วยภาวนาซึ่งเป็นปฏิบัติบูบชาก็พากันบูชาภาวนา ก็บูชาเรานั่นเองทำก็ทํ า, ท า, ทาให้เรานั่นเองก็บูชาเรานั่นเององค์ท่านจะบูชาหรือไม่องค์บูชาก็ตามองค์ท่านก็เข้าสู่ข้นิพพานแล้วแต่เราทําบูชาเพื่ออมบูชาพระท่านก็เพื่ออยากกระให้บุญของเราเพิ่มขึ้นไม่เป็นอัคตันอยู่ไม่ตีตนเสมอเพราะนับถือองค์ท่านเป็นผู้ประกาศพระศาสนาสัตทาเทเป็นผู้สอน เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสัตเทวมุสัตถาเทวมุษานังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพาุทโธเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้บาลแล้วพระกวาเป็นผู้จำแนกธรรมมีทานศีลภาวนาเป็นต้นเรามีวาสนาและนิสัยเราจึงได้เกิดมาพบพุทธศาสนาถ้าว่าวาสนานิสัยของเราไม่มีแล้ว แล้วก็บรรดาลไม่ได้เชื่อแล้วก็ต้องไปเข้ากับหมู่ที่เขาถือว่าไม่มีไม่มีบุญมีบาปอันนี้เราไม่ไปเข้าใช่ไเราเรียกวกับวาสนาของพวกเรามีเคยได้สร้างบา ร, รมีมาแต่พวกก่อนจึงได้มาสร้างต่ออีกจนดาบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเมื่อบุญของเรายังไม่เต็มตาดาบใดเราก็จะได้ท่องเที่ยวในวัด ต, ตาท้องศารโดยดาบนั้นเมื่อบุญของเราเต็มแล้วเราก็จะได้เข้าสู่พระนิพพานไม่มาเกิดแก่เก็บตายอีกเหตุนั่นคําว่าบุญบุญ เราจึงไม่ควรประมาทเสียงเป็นที่ตั้งแห่งการบําเพ็ญบุญก็มีอยู่สามอย่างอย่างยอ่อยๆทานลไมาบ่บนสําเร็จด้วยการบริจาคทานศีลลไมาบ่บนสมเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนาไมาบ่บนสําเร็จด้วยการเจริญภาวนาอย่างย่อรวมมาเป็นสามข้อจยกเป็นบุญอะไรอะไรก็ตามเถื่อก็ทําบุญให้ใจนั่นเองเอ พอใจต้องการบุญจะเป็นบาปอะไรอะไรก็ตามก็ทํำบาปพอใจนั่นเองพอใจเป็นผู้ทําทานละไม่บุญสมเด็จด้วยการบริการมทานศีลละไมัยบุญเฉลิมด้วยการนัสราศีลภาวนาไมั่บุมเฉลิมด้วยการเจริญภาวนาอาจายละไม่บุญสมเด็จด้วยการวัคคตอบตนแก่ผู้ใหญ่เวียยาวัจจะไมบุสสมเด็จด้วยการช่วยคนขวายในกิตที่ชอบปฏิทานะไม่บุสสมเด็จด้วยการให้ส่วนบุญปฏานโมธนมัยมุญเฉลิมด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ ธรรมัสวสรรหม่บรรลสมเด็จด้วยการฟังธรรมธรร ม, มเทศนาใหม่บรรลสมเด็จด้วยการแสดงธรรมทิฏฐุชุกรรมการทําความเห็นให้ตรงจึ่งเหล่านี้เป็นบุญทั้งนั้นเป็นบุญจิตบุญใจเหมันทั้งนั้นทําบุญฉลองบุญทําบาปก็ไปฉลองบาปคนเราถ้าทําบุญอยู่ทุกวันเราเรียกว่าทําบุญคู่อายุเมื่อทําบาปอยู่ทุกวันเราเรียกว่าทําบาปคู่อายุ เราทำบุญอยู่ทุกวันเขาเรียกว่าเราทำบุญในวันเกิดเพราะเราเกิดอยู่ทุกวันถ้าเราทำบุญอยู่ทุกวันเขาเรียกว่าเราทำบุญวันตายเหมือนกันเพราะตายจากเช้าสายบใบเที่ยงเพราะวันเวลาล่วงไปเรียกว่าสมมุติว่าตายในปรมาติตแต่ ว, ว่าความดีของเราไม่ตายไปไหนเราทำแล้วมันก็อยู่ที่ใจ ทีนี้เรื่องภาวนาท่านผูใน้ใดปรจจนาะจะภาวนาอะไรก็ให้ภาวนากันตามสมควรในวันนี้จะเห็นแก่รับแก่นอนมากมเพราะบูชาบูชาตนเองบูชาธรรมะของตนเองก็คือบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีประมมาอันเดียวกัน ถ้าบริกรรมไม่พอมันก็ไม่อยู่ภาวนานี้ต้องบริกรรมให้พอชานังแปลว่าเพ่งอยู่สมาธิทิงแปลว่าทั้งมันในการเพ่งฉันทะพอใจรักใคร่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะเพียรมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้กิตตะเอาใจฟักใยในกรรมฐานที่ตั้งไว้เมื่อมังสามันติีตองพิจารณาในกรรมฐานที่ตั้งไว้ คนสีอย่างนี่มีบริบูรณ์แล้วอาจชักนําบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งเหือไว้ใส่ศรัทธาความเชื่อเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะความเพียรเพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติความระลึกได้ระลึกในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิความตั้งใจมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ ก็มีความหมายอันเดียวกันผู้เจริญพุโทโธก็อย่าเข้าใจว่าไม่ได้เจริญธรรมโอไม่ได้เจริญสังโฆก็พุโทโธธรรมโอสังโฆก็อยู่ที่แห่งเดียวกันหรือพิจารณาความตายหรือพิจารณาอานิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้ไม่อด สิ่งที่จะภาวนานชอบอันไหนก็เลือกเอาพระบรมศาสดานเป็นครังสมบัติของพระธรรมแล้วทําแต่ละบุญละบาศส่งต่อพระนิพพานหมดถ้าทํามากก็ส่งต่อพระนิพพานหมดแต่ค้าก็ว่าทรัพแต่ละสะตางค์ขึ้นไป ถ้าเราได้มากว่าสามารถพออยู่พอกินพอใช้พอสอยเราทำบ่อยเราหามาได้บ่อยๆชั้นใดก็ดีบุญเล็กบุญน้อยก็ตามบุญภาวนาบุญศีลบุญทานอันนั้นบ้างอันนี้บ้างมันก็หลายบ้างเขา้าจิตใจเราก็สูงขึ้นสูงขึ้นทีนี้ เรามาท่องเที่ยวในวัตฏะท่องสารเราไม่มาพอเป็นนิสัยเราจะปฏิบัติพระพุทธศาสนาพอเป็นนิสัยหรือจะปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ในวัตฏะทรสงสารถ้าเราปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏฏะท่องสารปัญหาก็ไม่มีมากหรอกมีนิดเดียวกว็พิจารณากองทุกข์พิจารณาสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตน พ่อมีแต่โลกมีแต่สังขารมีแต่คองทุกข์สิ่งเหล่านี้เราก็สมมติว่ามันสวยมันงามเลยมันจะงามจะสวยอยู่กี่วันไม่ทราบเพราะมันเออบางทีมีล ม, มพัดหักไปเสียในปีนี้ก็อาจเป็นได้ะ เ, เพราะมันเป็นอนิจจังสิ่งเหล่านี้ อ, อืความสวยความงามอารมณ์ให้บุรุษหลงเรียกว่าเจ้าแม่อปรโมโลกอืก เราจะทำสวยทำงามชักเพียงไหนก็าตามก็สําหรับบูชาพระพุทธธรรมประสงค์นั่นเองไม่ใช่บูชาเกลเอ็ดของเราถ้าเราน้อมบูชาเกีเอ็ดของเราปัญหามันก็มากในไต้ลกธาตุบูชาพระพุทธพระธรรมประสงค์ซะมันจึงหมดปัญหาถ้าบูชาพวกเราก็ทําให้กิเอ็ดพยอง ทุกเกิดทุกแก่ทุกเก็บทุกตายทุกไปย่อกพระทาบทุกปาถนาไม่ได้สมหวังทุกประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจทุกอะไรอะไรมันก็มาบอกกิจบอกไจ่นี่ถ้าใจไม่เป็นทุกอันอื่นมันก็ไม่เป็นทุกด้วยถ้าอันอื่นเป็นทุกก็เป็นโอหังทีกรรมไปใจของเรามันเป็นทุกด้วยสิ่งอื่นเป็นทุกเราก็เป็นทุกด้วยอืม พระพุทธศาสนาสอนให้รื่อสัตว์ออกจากวัฏสงสารไม่ได้สอนให้สัตว์ทั้งหลายหลงวัฏสงสารวัฏคือเครื่องหมุนเวียนไม่ให้หลงมาเกิดแก่เก็บตายอีกสอนให้เคสลาบเน่เกิดแก่เก็บตายสอนให้เกิดหลาบเจ็คหลาบในกินในถ่าย ในนั่งในนอนในยืนในดูในนึกในคิดชาละพัในในตายโลกธาตุจะหาสิ่งที่จะโดนและยั่งยืนไม่มีวันนี้ก็ใกล้จะตายกว่าวันวนนี้เพราะยากเข้ามาแล้วแต่ว่าจิตใจและธรรมะไม่ยอมให้ตายไปที่ไหนตายก็ตายไปเถิดแก่ก็แก่ไปเถิดเก็บก็เก็บไปเถิด แต่ธรรมะของพระองค์เจ้าไม่ได้ตายไปไหนธรรมอันไม่ตายมีอยู่คือพระนิพพานดำส่วนธรรมฝ่ายเกิดฝ่ายดับเป็นสังขะเป็นสังขารก่อให้มันตายไปซะลมหายใจเข้าครั้งหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเห็นอนิจจงรอบหนึ่งแล้วเห็นทุกขครั้งรอบหนึ่งแล้ ว, เ ห, หลวเห็นอนัตตารอบหนึ่งแล้ว เห็นความเกิดแก่เ <Ox> ก <ide> ็บตายรอบหนึ่งแล้วเว้นไว้แต่ไม่ต้องการเห็นคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รอบหนึ่งแล้วเว้นไว้แต่ไม่ต้องการเห็นศีลสมาธิปัญญารอบหนึ่งแล้วพระมีสติกำนดลมหายใจเขาออกการมีสติกำนดลมหายใจเขาออกนั่นแหละคือตัวศีลนั่นแหละคือตัวสมาธินั่นแหละคือตัวปัญญานั่นแหละคือตัวพุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ นั่นแหละคือแปดหมืนสีพระธรรมขันธ์รวมลงมาเป็นเอกานิบาตในปัจจุบันเอาศีลสมาธิปัญญารวมลงในปัจจุบันมันจึงปฏิบัติง่ายเท่าไหกับกรรมฐานของเราเราเคยภาวนากรรมฐานอะไรแปดมื่นสีพระธรรมขันธ์เราก็รวมลงมาในที่นั้นหรือทานศีลภาวนาเราคุรรวมลงมาในที่นั้น ทำอะไรก็ทำให้ตนทั้งนั้นทำให้ใจทั้งนั้นจะทำให้อันอื่นมันก็ไม่ไปมันก็โคกมหาใจนี่ใจเขาองแคลงขมันนอกจากใจไม่มีอะไรจะเบียดเบียนใจนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะทำประโยชน์ให้ใจได้นอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะหลงใจ ไม่หลงใจตอนไหนก็เรียกว่าไม่หลงธรรมตอนนั้นถ้าหลงใจตอนไหนก็เรียกว่าหลงธรรมตอนนั้นถ้าไม่รู้เท่าใจตอนไหนก็เรียกว่าไม่รู้เท่าใจตอนไม่รู้เท่าธรรมตอนนั้นถ้าพ่นก็พ้นจกากใจใจเบื้องต้นเป็นใจปฏิบัติใจเบื้องปลายของผ alah ันปฏิบัติเต็มแล้วท่านเข้าสู่พระนิพพานท่านก็ไม่ได้เอาใจไปด้วยเป็นธรรมอันไม่ตาย ท่านเข้าสู่พระนิพพานเอาใจไปหรือไม่พระอรหันต์ไม่ได้เอาใจไปเข้าสู่พระนิพพานเข้าสู่อนุปาทิเสจันนิพพานเพราะมันเป็นธรรมันไม่ตายแล้วไม่ได้บัญญัติไว้ใจเชียแล้วศูนย์ก็ไม่บัญญัติไม่ศูนย์ก็ไม่บัญญัติเพราะเป็นธรรมันไม่มาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายแล้วจบกิจทุระที่จะทำให้ดีไปกว่านั้นชัว่วกะละพอแล้วดีก็ทาพอแล้ว ก็เลยอยู่เหนื้อดีเนื้อชั่วไปซะก็เลยไม่ไม่มาชั่วมาดีอีกเพราะขี้เกียจสมมุติกันว่าดีว่าชั่วแต่ว่าอายที่แท้มันก็มีแต่สังขารและกองทุกข์สมบไตยโลกธาตุนับแต่พมาโลกลงมา เหตุฉะนั้นพระอริยะเจ้าจึงหนีถ้าความมีที่อยู่มีที่ซ่อนเล่นเท่าเม็ดงาหรือเท่าเม็ดพันประกาศพระอริยะเจ้าก็ไม่สามารถจะเข้าสู่พญิภานได้เพราะมีที่เกาะอยู่มีที่อาศัยไม่มีที่เกาะไม่มีที่อาศัยก็ได้คลายคลายความหลงของตนนี้ เคยหลงมาแล้วก enfin oh ็เลยชนะความหลงของตนเคยเข้าใจผิดมาแล้วว่าชนะความเข้าใจผิดของตนเรียกว่าชนะโลกก็คือชนะตนเองที่เคยหลงมาเรียกว่าข้ามทะเลหลงทะเลหลงอยู่ที่ดวงใจข้าวมาข้ามอยู่ที่ดวงใจสติปัญญาก็าเสือที่ดวงใจขาวใดสติปัญญาแก่ก็ความหลงก็ตั้งอยู่ไม่ได้มากขาวไหนสติปัญญา อ่อนเอเลโกโลมันก็มีอำนาจมีกูทีมือทีอยู่ส่วนพระละหันหนึ่งไม่มีนะพระสวัสดิวันท่านกละไปเป็นเอกเทศแล้วไม่ขบวนคืนพระชกทาคามีก็ละเป็นเอกเทศเอกเทศไปไม่ขบวนคืนพระอนาคามีก็ละไปเป็นเป็นเอกเทศไม่ขบวนอคืนพระละหันโคตรประมุนมแล้ว ไม่เชื่อได้เลยแม้แต่นิดเดียวทั้งอดีตทังอนาคตทั้นปัจจุบันด้วยไม่มีใครจะมาแปโกหกพกลลมท่านได้ว่อในโลกนั้นเป็นอย่างนั้นโลกนี้เป็นอย่างนี้โลกนั้นสนุกสุขสบายโลกนี้สบายโลกนั้นสบายเกิดมาอย่างนั้นมันเป็นสุขเกิดมาอย่างนี้มันเป็นสุขไปพูดให้ท่านท่านก็ไม่เชื่อเพราะท่านมายินดีในเกิดแล้วท่านพ้นไปแล้ว คำว่าเกิดเกิดก็คือทุกๆนั่นเองคำว่าแก่ๆก็คือทุกๆนั่นเองคำว่าเก็บเก็บก็คือทุกๆนัๆ่นเองคำว่าตายตายก็คือทุกๆนั่นเองคำว่าวิโยคพัดาคก็คือทุกๆนั่นเองคำว่าปาถนาไม่ได้สมหวังก็คือทุกๆนั่นเองนัน่นจะทำจิตใจให้สูงไปกว่านี้ก็เคยลงมาแล้วไม่อยากจะลงอีกอยากจะเรียนวิชาเช็ดหลาบไม่ลงอีกเลย เรื่องวิชาหลงในโลกสอบได้ชั้นเอกทีนี้จะเรียนวิชาที่ไม่หลงโลกจะเรียนวิชาเบื่อหน่ายโลกเบื่อหน่ายเกิดเบื่อหน่ายแก่เบื่อหน่ายเก็บเบื่อหน่ายตายจะเบื่อหน่ายแบบเย็นๆด้วยความแยบคายไม่เอาโมหโหโทโสมาสัมปยุศ ที่นี้ท่านผู้ใดจะปรารถอะไรก็ปรารถนาเถหรือหากไม่มีก็เลิกกั น, ออกนวันนี้จารกอันนี้พระพุทธเจ้าองค์งและมาสอนและมาสอนทุกแก่ทุกปุ๊บทุกตายถ้ามาจักสุขุโยงตาเห็นแล้ว ทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายทุกโรคทุกโอดทุกหลงจะไม่เห็นขอปฏิบัติเพื่อออกจากชีเลตัดหาท่วหนึ่งก็บ ม, ม, สมญญิสิ้นสมาธิปัญญาสินสมาี่ปัญญาเป็นไฟมาทำประโยชนก้นกอเยเท่านในวารสงสามเป็นาฟตัดหาเป็นไฟทุกข์ก้อนปฏิบัตออกจากกองทุกข์ มีคนเห็นสอบในท่ามดนเร่ในนะคนเห็นสอบในทาสียเพราะวาหน้าจับเป็นนักแฝดนักแฝดย่นลงมากก็เป็นเสียงสมาชิกปัญญ า, าน<ม>ักแฝดคอคนจเจริญให้มันนีมนีโลดคนท่าให้แจ้ใแจ้งให้ขันช้าขันดานที่งี่คอยี่วัญประพฤติแล้วก็ได้ประพฤติแล้วควข้ขอก็ไดพิจารณาให้ยิ่งแล้ว สมมติถ้าห้องกันรละแล้วทัญหา่ายห้องกัไระะแล้วขอิบัต้องกัจะเริ่มดีแล้วซึ่งสมมหนาแจราก็ทำมนแก้งแล้วเรียกว่านี้โรดเ่มวัสดุกายว่ตถวายกายื้อาทุกคนของเพนอย่างเงี้ยาค แล้วไปยะ้อทั้งโลกพ่อวาะเลื่อนพ่อแหงไส้แล้พ่อล้องผู้หมานี่พลานนลยแล้วไปเหยียบย่ำล็อปผู้หมานั่นก็เอาสถานที่วันหันเป็นบนนักเลี้ยงมันก็พ่อฝ่านไปเหยียบหงอพ่อเนี่ยทันทีทันทีร่างจะสอนนักเลี้ยงกับไปสอนี่บนอื่นมือนอย่างแค่จะจงมาหันถึงไว้ซะเขาแม้นเนี่ยตัวก็จะค้องอะไรจะไปค้องดิ พันปีนท่าดินหม้ไปเฮ็ดวัดกรรมฐานเอาวัดกรรมฐานไปเฮ็ดวันดนักเนียนมันก็เลยพีดแบบไงใช่นาะและับพื่อาจารย์หา้าววท่านพ่อนากรรมจาเทาวุ้เนี่ยคือสีบอห้าวว่าแล้วอาจารย์วนันวอาหนึ่งี่บอพ่อนากรรมาเเาห้าว่ก็เ่ไ่ได้พ่อนากรรจเท้าลยตตอตนเพื่นนี่ย ว่าจะชั่ตัวอยู่คือกัรนะโอ้ยปฏิบัติไปเพาะบ่ได้เราพระรหัมันพระรหัมันมันละลายย่านี้าสั่พระาตัวเนเทียงในใจเป็นพระผู้น่อยะเนี่ยเมื่อด้พระรหันพระอนาคามีเรเอาเบามาสั่เทียงเมื่อได้พระอานาคคามีพระสัพาคามีเรเอาเบาม่ได้พระสัพพะธาคามีพระสสดาบันเรเอาเบา เ่ได้ระสวดารวันตายแล้วโดยอันนี้สงสารจะเกิดพุมรรคว่เอาบอกคำเม่อไเกิดพุทมโลกจะเกิดในส้วงสอนก่าเอาบอกแล้วพวกเทวุทธเทวดาหนระือเมื่อไหันนีกตายไปจะปเปลนเป็นมนุษย์ว่าเอาบอกสาวน่ยหรือเนะอาตั้จแต่ลงมารหากกันสาวนะ่มันเขียนในใจตัวน่คือสั้นอ่ะมึงเหี้ยตัเ้ไปเราะเหี้ยใครเห็นหน้า เนี่ยไปก็เดีวดว้วาหามมมิเรากั่หามมมก็ดีก็ขอเขากินก็ออไม่ันบอ่อือข้าว่อใชอือโอมีแน่อ่โ อ, โอ้แล้วมันจะตืดด้วยหรอการทั้งข้าวตดด้วยหน อ, อะออตื ด, ดอยดดู่ ข้นั่งแท่นลงเรอตกแล้วถนะเนาะเพาะถิ่มุ่นพอมุ่นแม่เนาะถิ่มุ่นพอมุ่นแม่มันแข่งไปตลอดแลยอ้าวข้อนาถิโยกกรหอดจนมือตายเลยนาะนี่ยก็เมซี่ในวันเออแล้วเขาโตรยังหรือเยังอยู่กับไม้ก็มาอยู่บ่ เขาเงีงสักคนน่ยสี่้นะ่อรใส่น้าตัวไหวเดือนเดือนนึงใส่ร้ายหนอันวัดใจนวั่ใส่ร้ายตัวเขไฟไร้ายนเดูชีมรงั้นอันนี้พันเยอะับนี่ มันดบดมันนี่ยมันบดบนนี่แกน่ น, นก็สร้างอย่างีแปลดูแล้วอันนี้กระเปาไปรล่ะเ น, นี่ยกะาสีว่วาเห็ดอโอ้นอ น, อ, นออยู่พันเหน็ดนวพันมันเห็ดนไันั น, น, พ, น, พ, นพอนี่ เป็ น, นยูรนเพียงรยหลังมาทอมันหลังนึงนี่พว เ, เขีนขึน้นไวเขียนขึ้นหมเองเขียนขรสีสีฝนสีเล็โเกโอ้เ่ก็ไปร้อยว่ะัก็มาอยนี่สามสิบสองปีนี่้าเทเึ ง, งวัดเดียวเท่านี้แหะว่ะั ก็จะาวนว้ว่าต่ว่าเฮไรมืมึงมีวันยูเราทั้งเขาก็าันว่าวัดเทือนเขาว่าวัดเทือนแล้วได้ับอายุมากถ้จะสองันสี่อยเจ็บาจะพลังจำฟันมากพักฝลแล้าจฟันแล้วมาพั ก, พกนี่ลแถบลบผู้ฟันได้รับอายุวัดมากเรวก็เพิ่งก็เลยหายทำเงียบคนขายได้หายเป็วัดนี่ เวัดนี่มีทําเนียบเลยมีสูนข้ามสีมาอันนี้ก็มูสุข้ามซีมาเหมือนกบวดได้ยุ่งเื่อมันเกิดควากฎหมายทอนเขาก็ได้เพลิดเ็ลิอนุโลมหายตลอกเรื่องมันโยปลาปลาบอพ่อว่นแล้ว ใส่ออยื้เปียปนเียกับพอหน้าหายู้ดูดกับบพอหน้าหาไในั่งรถกลิ้งกับบพเอหน้าหนอนมาสั่นหลังกับบพอหน้าหยเขาลงในป่าใหท่องแถวขอบพเหน้าหายท่องขบพเพอน้าหา ไม่ใช่งายิดตลาดของเกาไอ้ลองจนโโรขอโทษคำมู้คำอยู่คนเดียวกันอาบอกคำนู้นเอาบอเร้ายอาพ่อมาน้าจะโศบก็เลเอาร้ายเอา่อยเดี๋ยวนั้นขนาดมันขนาดก็ขิงมันโร มันทำงานมาอรรถกรรมฐานทั้งหลายกันเทาจ้ามันท่านเทาจับมันเทาเพ่งเงินเท่าเึ่งย่บันกอแหละกรรมฐานอันอื่มันแรนเขามาดูดมัดคือรามมหาสมุทรทะเลน่ะมันเอเนอผีเนี่ยหาแล้วมันังดูดแม่ลำน้อยมากไหลมากคือเข้มขีดน่ะคือชิดเนื้อน่ะมันดูดแม่แม่เด็กไปดูดเข็มขีดไป กรรมฐานนีาน่ากรรมฐานได้มีวมดว่าจะให้มันดูบริกรรมโมพ่อโมพ่อมันก็อยู่ังนว่าโมพ่อบริกรรมบริกรรมแต่ว่ากำกับอยู่นี่ั้งแส ง, แสงดงแสงน่าอันนั้นอันนี้นันเกิดขึ้นมากนั่นเกิดขึ้นมากมากกาันกับแพรปวนมันกับับไปน้อมน้องตอันนี้จังทุกครั้งอากาศ นี่ทำเป็นจริงมันปยึดไปเถือเป็นทั้งเป็นลูกคนเปเล่าเป็นเขามันแคทักษะเห็นเป็นเจ้าว็าลูกเกยดึมาอลไรกแววนัแต่สายอำนาดากหน้าสมาธิทางลายมันมีแต่อานาจอันนี้จังมันไม่าวนมันถอนออกมาทุกวัันได้หรอ เบุญบุนสมม า, า, าย่งกุอนนาอันนี้จงยึดงกว่ า, น, านั้นีขอสองว า, มาเลยนี่เหตการะ์เายภว่ า, า, านอต้องูใรับผู้ชื่เบอนายชายเมาในวตาสงนารได้ครับอกพ่อนะอันนี้จังตกาาุกขาวอานาตาต้องชือเบนายชายเมาในวัตสารยังม่่าสงสยในวตาสารเพราะฉะนั้นสงสายวัดตางสารว่ามัน เห็นน่าเอือมี่เป็นแนเอือนี่มันเดินไปทังไหนไปไปวัดตาทั้งสามท้งผ้านากทา้งน้นี่อันนี้จังขมหัวอยู่เพราะว่ามันเพรเพียงเป็นเจ้าโลกอยู่เกิขึ้นมาแล้วเปรอปวนแล้วรับไปอันไหนมันเคขึ้นเรืยอเงางาอัมันเกแปรอวนเงาเงามกิดรับไปเงางอันไนเกิดเกิดเกิดละเอียดแท้แห้เปรปวนละเอีดแหงรับไปละเอียด เป็นิกันมาละามอไปเลยต่องพิจารณาตามเป็นจริงจังดข้อนวามเข้าใจทิดตามเป็นจริงเลยตามนี้สมาธิมีไงผู้ใดผู้นั้นตระกุฏใจสมิภานปัญญามีไงผู้ใดผู้นั้นระใจสมิภาร ศีลมีผู้ใดผู้นั้นก็พูดใกล้พระนิพพานสมาชิตมีไงผู้ใดผู้นั้นกะพูดใกล้พระนิพพานปัญญามีไงผู้ใดผู้นั้นกะพูดใกล้พระนิพพานการปฏิสันสานเพราะผู้ใดมีผู้นั้นกะพูดใกล้พระนิพพานู้คคลจะพูดปรการพระนิพพานพระองค์จงสรรเสริมผู้เคารพในพระ Wha พุทธธรรมก็สงยิ่งผู้นั้นกะพูดใกล้พระนิพพานโดยแท้เลยอาละาห์ เอาับเคื่องเครื่องในพเจ้าในพระธรมในพระสงฆ์ในความศึกษาในความนัตสมาในปฏิสังขารในตอนรับป่าใสผู้สุขวันทาคาราหุประการนี้ผู้ใหญ่เขาลบปฏิสันขารคาราปาเพราะนั้นจะเพิ่มไ้พระเิพพานเลยแค่ไหนเขาจ้ออไปเอกบื้งหันนี่โลกคุ้มรงดีอีกห่ยูร์กเงินดี เจาขักขักน้าันมันมันหลอกไตสมาทานบพาวาตัสามาทานนอนค้างคลืนในโรงพยาบาลมันก็มีทำไมตายทั้งนั้นล่ะใครจะไปเหตุใดเมื่อนอนข้างคลืนในโรงพยาบาลสมาทานบพาวาตัดมันก็บวัดทางกวนโลกกวนยัวพระสันติกรวดพระที่งโลกพระสันติกินาวขรรจันทร์พระสันตเขาเป็นม่ยังว่าน โอ๊ยสั่งบอกไปกวดโรคคนน้อยเขาบอกของเจ้าธีปฏิบัติแล้วสั่เขาบอมันหมอสั่งอไปกลไปเอามือนอนข้างขึ้นนะมาจากร้อนนะตัวผสมโรงพยาบาลม่จากร้อนนะวางสั่งมืน่อนข้างขึ้นก็เลยปฏิบัติเอานั่นกันคนระเครงาสั่ก็เด้เือออามาเขาเขาก็ร่องเขาก็ร้อนเขาก็รัดตัวแ่นี้พวกเขาเลกเขาก็รัดตัวนี้ เพราะ่อร้งพวกพเขาเลกพ่อพก็ร่องตงจิตใจเชื่องมันติตใจเครื่องแค่ไรเขาเท่าไรพอคนไข้จิตก็าหาหกปีแล้วลูกๆจะเอาหลงปู่ไปเช็โกโรคที่โรงพยาบาลกรุงเทพพราะธรรมดาขององค์ลงปู่แล้วเป็นใจมนุษย์ เขเ อ, อยาอะไรมาให้ค อ, อยฉันับๆๆๆๆแต่มันเกินไปพ็มีนะหลวงปู่นะนะมันจะควรเพิ่มโรคอะไรก็ให้มันรู้ตักเออเราจะไปโดย ว, วิธีไหนหลวงปู่ก็สะมาทานไม่ไปนอนข้างคืนในโรงพยาบาลนะะ แ, และไปไม่ไปนอนข้างคืนในวัดใดๆเพื่อรักษาตัวเองถ้าไปเรื่องอืน่นนะครับ เป็นเรื่องหนึ่งธาถ้าอย่างนั้นก็พวกเราก็กลับเขากลับไปที่หาเงินเขาข้ามไปลูกๆไปเคลียร์เขาไว้แล้วนะไดขึ้นเครื่องบินอบนุบลแล้วก็ไปในวันนั้นกลับในวันนั้นซึ่งตัวรถไฟให้เวลากลับ เขาเยไปนัเขาผดผืไปแก้เขาข้อโรงพยาบาลเซนิเตเรตมากนะแล้วปวดมาแล้วมาแล้วปวดมาแล้วคือคนขุนเสือกมันจะป่ากสากก่อนกรโม่สาระจะแคร่กว้างมาแล้วปว่มาแล้วมาติดมาจิดแขนไปแล้วก็ เขาพูดลังหาเขาตรวจลูกอันทะเออก็ไม่เจอเขาลูกอันทะที่บอกว่าปั่วมาหลอกลวงน้องปู่มามาถึงเจอกับลูกอันทะเนอะเจอเขาเปนอื่นเจอเขาเรื่องแค่โรคต่างหากเอออันนี้มันไม่มาแล้วกายมันเสียเที่ยวมันมันเป็นมันเป็นนี่มันเป็นใช่หรือไม่ห หน้ามึงแซมอะกัดกัดกัดกัดกัดดกาน้าเยืนบ้างข้าวเยืนด้วยข้าวเยืนให้เขาบังลูกอัญชัหน้าหอนตากันมาซักเท่าไห่ค่อยนนนี่นี่นไม่ต้องไม่ต้องคุณหไปไปูมาเเขาหัวสิโอ้หลูรู้แล้วหลวงูรู้แล้วไปมันก็หอเหยาเหงาเหาไปพูอะนันนอันนี้คือเปีย บอก็กๆๆๆอย่าง่ฟอนอ่ลวนะยืนหผมยังไม่เสร็จยัมานะสิมันมรับใส่ผู้ใหญ่อย่างนเาเอาเียบัแกก็บเอย่งหลอมาเบ่งีรับใส่ผู้ใหญ่ผอสกายมลมาเบอกรับาคแค่นี่ะา่ 10นาทีท่านเสร็จเออขอพบคุณอยู่ท่านเขามาผ่าเลี้วหัวเนี้ยก็เก็นานออกว่า น, นี้แต่ว่าความสมาทานของลองปู่สมาทานได้หลายปีแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งมาทานอย่นี้ออทําไมหลงปู่ม่จะผ่าตัดนีเก็น อธิบายให้ลูกๆฟังหนึ่งตนเป็นผู้แก่แล้วอายุกเจ็บกว่าแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะกสะเสือกระสนมาผ่ามาตัดข้อหนึ่งอีกตนคิว่าตนมานเพื่เด็ดเดี่ยวอยู่ที่ภูที่เขาเวลาจะร่มจะตายเขาเข้ามาก็ดขวางในคนในโรงพยาบาลอันนี้มันก็พักสมตนแล้ว หนึ่งเอกถ้าเราผ่าเราตัดจรลูกลูกน้นหลานเขาก็จะมาเฝ้าด้วยเราก็เก่งใจมากมาปิกคุกกันพระพระป่าเข้ามาอย่างนมันก็ปิกคุกแล้วไปป่าในสมท่าในเมืองอะไรบ้างในสมท่าในพระนครหลวงพระผ่าดดำมบลําลํา แล้อีกอย่างหนึ่งที่ทาาการสากันตัดบาถึงความหายต้องทีงควตายถ้าตายในนี้กระโหลกก็จะถูกซื้อก็จะเล่าขึ้นผ้าอุตสารก็ทําความยงยากให้หลูลกหนูมันรับเหมือนกันแล้อีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่งอกง่ายเมื่อมันก็หลายวันอยู่ทุกโลกละลายก็จะตกนรกอยู่นี่เราก็จะอยู่นี่อีกล่กเหยอะหัวใจก็เกิน แม้ที่ว่านี่ไม่ได้ตังเสียร์โรงพยาบาล น, นึกว่อายตัวเองมันเป็นเห็นให้ชวนคิดหมดและอีกอย่า ง, นงหนึ่งหลวงปู่มั่ของท่านกับเป็นฤท์ชี้ดวงถวันอย่งก็ไม่เห็นท่า น, นไปผ่าไปจากที่ไห น, นและก็ไม่เห็นท่านไปโรงพยาบาลที่ใดๆ ด, ด, ด้วยน่าคนคิดอีก แล้อีกอย่างเลยิ่งที่น่าคนคิดอีกก็ยังมีเขาบอกเราว่าศาสตราชนชาติศาสตร์ติดด้วยเพราะธรรมารถพระพุทธเจ้าอย่างเต็มปูฉันม้วนวันของนายจุนทะตัมมารบุตรก็ซัดเต้พระเนจรโดยเมืองพคศีนาราองค์ท่านก็ประนิชฌานในวันนั้นในนางลางทั้งคู่ทั้งทั้งคู่นะแต่พอมาเห็นท่านไปในโรงพยาบาลที่ไหนอันนี้ก็น่าคนคิดอีกว่าเป็นดังนี้นะพ่อ และอาในการพี่ชาวาในที่พูดนี่ไม่ได้ตั้งมั่ยเพื่อจะให้ประสบระเมสุขในโลกทั้งปวงมันขึ้นอยู่กับผู้่อบผู้ไม่ชอบผูที่คิดยอย่นี้อีกย่างหนึ่งญาติมผู้เขาอยู่ใกล้ชิดเมื่อเขาได้ทราบว่าเราขาดจัดอย่างนีง้เขาก็าต้องมาดูเราเขาก็หายเชร้ า, ากินเย็น เขาก็เสียเวลาเขาเองด้วยเสียตังเขาอีกด้วยแล้วก็หนักใจอกีกแต่มาเท่านี้ก็ปวดหนักใจแล้วโรงพยาบาลนี้ไม่ใช่ลงงพยาบาเสียเงินมากโรงพยาบาลเป็โรงพยาบาลจพิเวศษสมาชิกนี่ก็เสียหลายทำแล้วเหมือนแล้ว อาจารย์ยุตาต้องรู้จักประมาณตนตนที่เตียนตนเองไม่มีประตูแก้ผู้อื่นที่เตียนเรามีประตูแคก้อาจารย์ยุตาตาเป็นผู้รู้จักประมาณตนเสีย ช, ชีวิตดีกว่าเสียสัตย์เสียชีวะประวัติเสีย ช, ชีวะเจียกวัว เราตั้งไว้สัจจะปรินีสัมปโนของเราอธิษฐานปรณีสัมปโนของเราจะยอมเสียชีวิตก็สร้างมันไม่ได้วางว่าจะทําให้กระทบกระเทือนโลกส่วนครูว่าอาจารย์ท่านมาในกรุงเทพมันมีประโยชน์มันมีประโยชน์กับากรุงเทพเราไปที่ไหนก็นรักที่นั่นไม่ควรมไม่อยากไปเราปู่อย่างนั้เช่นหลวงปู่มหาหรือหลวงปู่อื่นๆท่านเข้ามาในกรุงเทพท่าน ท, นทําทประโยชน์ให้แก่เขา ผมคุณค่าเราไม่มีประโยชน์อะไรไปที่ไหนก็หนัหนักที่นั่นนี่พ้ออนันนี่ก็ควรคิดส่วนตั ว, วอีกมันมีรลายเรื่องที่ไม่อยากผ่าอยากตักที่ไม่อยากมานอนกัางคืนในในกรุงเทพครูบาอาจารย์ท่านผู้ใหญ่ท่านมาท่านทําประโยชน์ให้แก่เขาพอเพียงพอเราไปที่ไหนหนักที่นั่น ตัวมันจะประมาณตัวเรพูดง่ายๆเาเป็นนวดครอบคลุมถ้าอย่างนั้นก็เอาตามคาเดิมถ้าอย่างนั้นก็เอาตามคาเดิมอะไรเอาตามคำเดิมตามคเด้ขอไปเอ็กซเให้เอ็กซเรแล้วาให้ออกเลอหยังเขาจอบางเลือดบางยังงเพเลือดดีอยู่นะท่านแต่ไมน่ะคนเจบกว่าแล้วเลือดยังดีอยู่ก็ ลูกหมากโตบ้านานไปกะพัตเะไม่ค่อยสะดวกเครื่องในดีอยู่ปอดก็ดีลำไส้ก็ดีเพ็รแต่ว่าเป็นไส้เลื่อนทนั้งอันอื่นยังดีอยู่ต่งขึ้นรดนอดมากทุกตะคักทุกตะักมากหงา <c oughs> คุณหมอรองมาคุณจ you know so ่าเาบอกควบเกาเลยคุณหมอรองเขียนอะไรนี like ่เราเกียับเราว่าโมฮาสักจะว่าสัมลาวเขีนมเาแล้วใลาวาะโมฮาสักจะอะรนะาเออเดี๋ยวเรามาลงใจเป่ยเปลนเปหัวใจเอาไปผ่านแบบทีละ อเอ้ามาันเจ็ดคิวหรื อ, บบรอเ่าหกคิวเ่าเ0กัวเจ็กล้วเหอนาะเจ๊เท่า พ, าาพา่อผาชาผ้าช้าหัวจักกาเมืองใช่เป่ามีหัวจักาฮม่เจ้าโดนจับค่ะ ต้นใต้เลยต้นขา้าอยุบนะปัารปัาเรื่องืมาน้านเนี่ยครับมาจับนยมาหลายเกี่ยวเยะา่มามานี่คือเขาเามาห้นี่ไปนหนาอแล้วขนี่เปนาเแล้วอืรวยเปนา วายเขาจคุณนคาตางกายพระพระโสดาบันวายวายเพรลงท่าเาสัตว์ท่าฆ่าไม่วหวพระน่าคา่านี่ไหวพระรหัหวายวายกบกิตพระพุธสาสนาวายเดียบุกิเคลิพระรหัเรีนนโมจุกนโมแปลว่านอ ก, นอก นโมพระหันเป็นนโมที่มันมีกิเลสเรียนจบนโมแล้วพระหันพระอ า, านาคนี่นโมพระอานา้างนี้เขามีกล้มามร่มกล้ามรา่มขาดไปแล้วนโมพระสวราบาน ข้ไร่เอา้ยมงงแตกกระจึงบมีในคันช้าเส้นดามนอกนอบว่าเลียนเรื่องสวาวันออายังงงสุขเภเพทว่ได้เรียนด้วยตองสว่าวันนี่เส้นหาบริบูรณ์ไม่ยินดีด้วยไม่ยนินดีจะรูแล้เมิดเส้นหาเธอเป็นทางชีบวิทยสนโขเธอเป็นไผ หือเป็นยาพิษตรงๆมันไม่ยาพิษเพื่อนต่อนหรือเป็นงูเห่างูสาม่นไม่อยากแก่หือเป็นงูตจงอางมันจะเข้าไปใกล้ไม่เสียายจะเคล็ดเลยไม่จะสงสัยมันจะห่างสี่นี่เลยมันสงสัยมันจะห่างสี่นี่ก็เพราะผู้บุกเบิกสวดรค์เมื่อสงสัยจะถือสาเวลาอื่น เม่สงสัยว่าสีย่วงแ ล, ล, ล้วลเมื่อ้นหาเมื่อเชือลายอย่าง่วงแล้วมืดการ่วงแล้วเมือดอเ้นหาเป็นของนักทอภูเขาพระโสดอวันเทีงสเพราะ้นทางหาอมเป็นิส้นที่วิเกตแต่ละเรื่องว่านาทิปาตาเวรมานียเป็นแล้วสิศขากระทังสมาธิยามี้เปิดสขาบทิงหนึ่งเชือหน้าผ้าหน้าเวแล้วานี่บุกซึกันตาไม่พอดีชัวพอดีมูสาพอดี เือเร้งระมุดต้องชิ้นหาของคนก็เลยมาเป็นชิ้นตัวเดียวยุบยึยู่ใจของคนกลุ้กลืนกันยุบเปเสือหาเกี่ยวว่ไม่เกี่ยวเสีขาดว่าไม่เกี่ยวสิสุสีฟุเชนดจะ้ําเมุดเมื่อเช่นใดจถือศาสดาอื่นเมื่อเช่ดถือว่าเรืองดีงามดีเมื่อเช่นใดจะผูกข้อต้อแขน วัตเา ย, ยาก็พรมากแขนข้อแขนใจไ้เลยมองสั่งว่าวัเชียรได้กบวงสวงเรวัาเชียร์ได้เขาเห็นพระค้มยังนั่นงนึกอย่ม่พวกพสุภเจปโนเป็นพรมอาจารย์ืางตันแต่ว่าแปลว่ามูอคนพระเอาสิ่งเกาเพื่อรักษาสังคม แต่หั ง, งว่าสงสัยว่าศีลจะคลองขาดประสวระวันเขารกถึงพ อ, พพอา พ, ออออพูดเราทำประสงค์ยู่สุเมืองมีผู้พูดเรื่องศาสนาอื่นเขาฟังข้งเขาไปแต่กิดใจว่ย่นดีน้่นเลยไม่ได้ถือว่าศาสนาอื่นเสื่อมศาสนาพุดเาบอกเขาสั่งตนี้มันยันนยาาานาางต <H it> ีนยังเงก็บตีเฉย่มัดเ็บกดอะเย็บกด มีปัญหาสอดสัมมาวาหนีสินบัลลังกาจังหวัดแฉกไหมทุกวันกรพา้าเป็นนีรพพ้รัฐบัลล้าเป็นนีู้กหลากข้เป็นนี้นะทุกคนรัฐบาลลังแต่รัตบัลลัคีโบ ข, บขีเบีย้ยขีวัดขีเบพระพราีวัดขีเือีโบขีเบี้ยพระเด่นวัดเนเบือเด่นโบเดนเบียสู่ควารักษาชิ้นหายยู่บ้บบบบานบ่ได เขารักษาสินหายท่บาา้ า, านคณะกิจยังไยังดีกว่าเข า, ามาล่องมาแะ้กก็ล่องกระไตงง้อมดงอมยูย่หัว อ, อยู่ถ่ายง้อ <c ười> มโผล่ขึ้นมาเลสามเสี่ยวที่เสียพระยังโผล่บ้านไหน นี่ไป็นคณะข้ามนะข้ามเนาะข้าล่งกนีมันข้ามแล้วคือเตา่มันไปบ่อยแล้วข้ามอ่แล้วไปแถวๆร้านเจ้าข้ามนั่นมันม้วนหัวแล้วนั่นมดนวเจ้าแรกเจ้าง่ายพวกน้เรไปตลาดเลยชาวบ้าน ค่อยมค่อยมาสร้างเครดิตมันย่างของขย่งค่อยมาเรียวผ้าหนึ่งมันสาว้า้ขาก็ยังเล้อเ็อรอุ <c oughs> ดหยุดดยุดุดหุดยนูเดียวยาตายพาโลกมันจะเป็นเนตโผิดเตาในหมอ้อหรือว่าร้านกันมานูเยยวยาตายพารลกมันจะเป็นเนตโผิดเต่าในหมอ้อปฏิบัติปฏิบัติเพื่อผลทุกในวันต้องสารปัญหามันมาหลายเด้ไม่น้อยหนึ่ง เห็นทุกคณะจินหนึ่งกเห็นหลวงหลอบนึ่งปัญญาทริปเด้ปัญญาจักสุจักสุคือปัญญาสมัญจะจักรุจักสุคือรอบครอบซองทะลุภูเขาเห็นได้อันนี้จังพราะประมาณเมื่เียงเขาบย ก, กว่าซองทะลุภูเขาแม่ไตโลกระทำเมื่อไม่นานมาเนี้ยเที่ยงน่องทะลุหมดแล้วจะพอมาหลลงมา พระพุทธเจ้าว่าจะสอนให้ยินดีนพุทมรลคภูมคุ้มสันสูงว่าให้ยินดีในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพุสมบัติอย่างนีมี่พ่อได้ปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ซื่อไม่ได้วางว่าจะให้ปิดเพลดมากพออยู่ในวัดตาทงสารนี่มีน้อยไม่ร้ายก็หวังว่าเพื่อปฏิบัติคนทุกข์สื่อไม่ได้วางว่าจะให้มากเป็นเพลิ่ในวัดตาทงสารนี่คำสอนของพระพเจ้าตรงต่อพริพพานผู้ยินดีนะพระนิพพานผู้ยินดีนะบอกว่าเกิดแก่เก็บตายเอ ก็บุกคนพนังานสั่งมาแล้วมีแกการมาแล้วดิกูส่งาแลมีบรารแกร่การยินดีนะครับสมบัติเนี่ยเป็นชร้น่งขั้นช้ามีวันนั้นกูมีเงินในร้านกูีซื้อรถเบนมาคีลอกพุ่งออกไปกูจะทีบพื้นแน่นบ่ <laughs> มันไปแถวนั่นที่นั่นสะามวันรรม่ยอมแก่การเลยกูแก้กาแล้วมั่วเลยอันนี้ินดนะพันธ์ันบนเดียวี๋ยว่าสมบัติพัฒน์สั่น วัตถุนิยมเราก็ชมวาตีุอยู่แต่มันอยู่ในอู่ของอนิจจังนะวัตถุนิยมภายไรคือจิตใจเห่าตาหองสมูที่เห็นตายใจก็เป็นวัตถุนีิย่อมภายไรเขาเห่าแหละมันคือในภาพภากจากกันแตกสลายไป สังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือมูลสั์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกและแก่จักามาพัชราหกชั้นพรหมโลกได้แก่รูปประพมชุดหกชั้นและรูปประรมสี่ชั้นโลกทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นเนื้อแปลควรและแก่แต่ร้ายโลกไม่แน่นอนเมื่อที่ยงยั่งยืนพระบรมศาลาโลกทั้งหลายรวมลงมาเป็นสังขารโลกสังขารโลกแบ่งออกเป็นสอง สังขารที่มีใจฟองสังขารทีม่มีใจฟองไม่กว่าสังขาโรโลกโลกคือสังขารเกิดขึ้นไน้แปลปรว่าแตกสลายเมื่อโลกทั้งหลายเกิดขึ้นแปลปรว่าแตกสลายมันมีการวานการคืนอย่างนี้แล้วริงเราจะปั้นน้ำให้เป็นตัวให้มันอยู่ในวงแขนของเรามันก็ไม่อยู่นะมันไม่อยู่ได้อายุมันก็ไม่อยู่ในวงแขนของเฮานี่มันทําห่อหามอะไรบัดมันมากมันกระต่มันจะยุดตะเคียงมาก มาห้ามันไปมันรับตเกียงไปไน่มันจะดับไฟไปถ้ามันมาดังปนญังแต่ห้ามันไปละมิตรตอนรอนความูสงฆัถอเพื่อพัดใจสิอยู่ว่านิสบเสนาสนเทศาปัญหาันลายใหนแล้วมันปรปฏิบัต เพว่อคนทุกข์นะอาจางสาร น, นะปัญหามัน ม, นมาหลายอ่ะในโลกมันก็บมีปัญหาอย่างหลายด้ในโลกเน่มมีปัญหาอย่างหลายในโลกเพราะว่าปัญหามันหลายก็เพราะว่าเข้าบวกหจักมันเขาัจักมันปัญหาอย่างมันสียหลายลูกไม่เอน้องมีหลายแต่มีลูกไม่เดียวในโลกอันนี้โดคือแต่กลวเนี่ยแต่สีายทั้งอ่ะผลรับก็คือทุกข์ท่ะ มีความมัดกับมือถนนผลขอะมันจากทุกเมื่อไหนจะเกิดขึ้นนอกจากทุกเมื่อไหนจะแปรปวนนอกกาบทุกเมื่อไหนจะดับไปทุกตอนนั้นเกิดขึ้นทุกท่านั้นแปรปวนทุกทอนนั้นดับไปทุกตอนนั้นจางลงอันนี้จางท่านั้นเกิดขึ้นอันนี้จางตอนนั้นแปรปวนอันนี้จังต่านั้นดับไปสังขานตอนนั้นเกิดขึ้นทั้งขานท่านั้นแปรปวนทั้งขานท่านั้นดับไป นอกจากสั้งขานไมมีอะไรจะเกิดขึ้นนอกจากทัคงขานไม่มีอะไรจะแปรปวนนอกจากสั้งขานไม่มีอะไรจะดับไปอันละเอียดก็ดับตามละเอียดอันหยาบก็ดับตามอันหยาบเกิดขึ้นแปรปวนตามหยาบอยู่แค่มีกังวันกลางสืนใครจะเห็นหรือไม่เห็นก็ไม่เป็นปัญหาเป็นจริงอยู่อย่างนั้นทำไมโลกเต็มไปด้วยอันทั้งสี่ได้หรอชั้นพายนอกพายหน่อยโลกพายนอยคือตัวของเรานางหุ่อยู่เราโลกพายนอกคือบุคคลอื่นศาอื่น คนใชยาใยาของเท่าไหรเทาที่ใช้ยาใช้ยานไปใสหันมันก็คอดตัวเท่าหน้บาบ้านเพรมันเอาปัจจุบันเป็นใช้ยาเ น, นี้ยมันเห็นทองก็ร่วมใหต่ออกแบนี้เห็ทนท อ, องก็พิ่พูพิษจาอีกเข็ น, น, น, น่อก็พิจใช้นืทอคิดอีกมือนีนึกยัง้งแน่มือนึกแล้วเอาไปขาไยไปใช นอันนี้เดี๋ยวเลียตอนนกอันนั้นเรียงตอนนึกันนเลี้ยงกั น, น, น, น, กน้นล่วงไปล่วงไปคือลมนี่แหละพัดไปพัดไปพัดไปพัดไปเลีไ ป, ไป ล, ไปลปีไปอย่างเดี้ยว่าดีเปลี่ยใหม่ขอ